เพื่อจัดอกุศลธรรมทั้งหลายและบําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายให้พร้อมบูรณจักเป็นผู้มีเรี่ยวแรงบากบั่นอย่างมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายส่วนข้อเสียก็มีดังพุทธพจน์ในปุคละภาษาทสูตรอังคุตรณิกายปัญจาการนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายข้อเสียห้าอย่างในความเลื่อมใสบุคคล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 บุคคลนั้นออกเดินทางไปเสียที่อื่น 4. บุคคลนั้นลาสิกขาเสีย 5. บุคคลนั้นตายเสียเขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่ น, นเมื่อไม่คบหาภิกษุอื่ น, นก็ไม่ได้สดับสัตยธรรมเมื่อไม่ได้สดับสัตยธรรมก็เสื่อมจากสัตยธรรมเมื่อความเลื่อมสาศรัทธากลายเป็นความรัก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 พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าเลยวักกะลิร่างกายอันจะเน่าเปื่อยนี้เธอเห็นไปจะมีประโยชน์อะไรดูกะละวกกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมนั่นแหละวกกะลิจึงจะชื่อว่าเห็นเราเมื่อเห็นเราก็คือเห็นธรรม